วันนี้จะฟังเรื่องอะไรถ้าหลวงพ่อตามจะฟังเรื่องอะไรเนะี่ยโยมก็ย้อนเท้เหมือนกันทุกวันอ่ะมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องเดียวนะฟังแล้วฟังอีกขนาดพระปัญจวัคคียนะอย่างพระอัสนชะิฟังธรรมจักตั้งหลายรอบเนะี่ยว่าจะได้โสดาฟังแล้วฟังอีก หรือพระยาศะท่านฟังอนุปุพิกถาแล้วก็ต่อด้วยอริยสัจฟังครั้งแรกได้โสดาฟังครั้งที่สองได้พระรหันต์ฟังแล้วฟังอีกก็ดีเหมือนกันน ะ, ะใจเรามันดื้อใจเรามันเรียนรู้สิ่งผิดผิดมาเยอะรู้ผิดเข้าใจผิดมาตลอดะสะสมมาในสังสารวัฏ ตัแต่เกิดมานะเราก็ถูกย้ำถึงความมีตัวมีตนถูกสอนนะว่าเราเป็นใครเป็นลูกใครอยู่ในตระกูลไหนถูกปลูกฝังย้ำอยู่ตลอดเวลามีตัวตนจริงๆไปโรงเรียนก็มีเพื่อนมีครูโรงเรียนของเราเพื่อนเราครูเรามันมีเราขึ้นมาตลอดถูกย้ำตลอดเวลา การที่จิตมันถูกย้ำแล้วย้ำอีกนะจิตมีธรรมชาติเรียนรู้ได้จิตเป็นอนัตตานะแต่จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อบรมสั่งสอนให้การเรียนรู้ได้พอมันถูกสั่งสอนถูกเรียนรู้มาผิดผิดมาตั้งแต่แรกเกิดมันถูกสอนให้ให้สำคัญมั่นหมายถึงความมีตัวมีตนมันก็ฝังความรู้สึกนี้เข้าไปจุดลึกเลย ต่อไปไม่ว่าทำอะไรนะมันก็จะมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังตลอดเวลากระทั่งจะแต่งผมจะแต่งหน้านะไปดูให้ดีเถอะต้องมีเราซ่อนอยู่คงไม่แต่งหมาแต่งแมวเนาะมันมันแต่งเรานี่แหละจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนะมันประกาศความเป็นตัวตนอยู่เวลาเราอยู่คนเดียวถ้าเดินเราเหมือนตอนที่คนอื่นเห็นไหม ไม่เหมือนหรอไม่เหมือนถ้านั่งถ้านอนก็ไม่เหมือนกั น, เ, นเวลาคุยกับคนรู้ตัวอยู่นะก็คุยดูเรียบร้อยนะ<ม>เคยเห็นคนเวลาโทรศัพท์ไหมเดินโทรศัพท์นะผู้หญิงนะ<ม>สวยเชอนะโอแต่งตัวสวยเดินไปแคะฟันไปเปลือยเปลโถความงามของเจ้าหล่อนนะผู้ชายเห็นแล้วสยองเลยความจริงผู้ชายทํายิ่งกว่านั้นอีก มันถูกย้ำนะมันถูกย้ำความมีตัวมีตนอยู่ตลอดเวลางย้นมันฝังลึกมันเข้าไปอยู่ในเรียกว่าสัญญามันลงไปอยู่ในใจในท่สุดมันก็ไปหมายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบผิดผิดหมายรู้ว่ามีตัวมีตนขึ้นมามองอะไรก็มองแง่ของความมีตัวมีตนเสมอย้ำซ้ําแล้วซ้ําอีกถูกฝังมาอย่างนั้น การที่จะล้างความคิดผิดนะเรียกจิตวิปลาสความเห็นผิดเรียกทิฏฐิวิปลาสการหมายรู้ผิดๆเรียกสัญญาวิปลาสนะจะแก้จิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนะสัญญาวิปลาสแก้วันเดียวแก้ไม่ตกหรอกครา บ, บโสโคกมันฝังลึกนะสะสมนานานงั้นต้องใจเย็นๆการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ ปฏิบัต <têm S 1> oh, no um like ิป no ุ๊บป mm ั hmm. mm ๊บปุ๊บปั๊บพอหลุดพ้นไม่ใช่นะโยเวนคนซึ่งเคยทำมาก่อนแล้วอย่างชาติก่อนๆเขาได้โสดาสกทาคาอะไรอย่างเงี้ยชาตินี้เขามาพาวนาปุ๊บปั๊บปุ๊ั๊บเนาะเขาไปเร็วของเราถ้ายังไม่เคยได้จะเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งในชาตินี้แหละอะไรเงี้ยก็ลำบากหน่อยเพราะทนเอาหน่อยกว่าจะล้างความเห็นผิดได้ว่ามีตัวมีตน เรภาวนากันนานดูของจริงนานแต่เดิมนะั้ชอบคิดเอาถูกปลูกฝังให้เชื่อถูกปลูกฝังให้คิดว่ามีตัวมีตนจะทําลายความเชื่อทํำลายความคิดนะทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนได้ต้องดูของจริงต้องเอาความจริงเท่านั้นเข้าไปสูนะ้ถูกสอนว่ามีตัวตนคิดว่ามีตัวตนหมายรู้ว่ามีตัวตนฝังเข้ามาดูของจริง เอาสัจจะความจริงเข้าไปสูนะ้กับสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาผิดๆนั้นเราต้องดูของจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะอะไรเป็นของจริงปรมาถ ธ, ธรรมเป็นของจริงนะเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงต้องปรมาถ ธ, ธรรมนะสิ่งที่เป็นปรมาถ ธ, ธรรมนะมีสี่อย่างรุดหนึ่งจิตจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อันที่สองเจตสิก ธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตได้แก่ความรู้สึกสุ ข, สขทุกข์ทั้งหลายนะความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายกนะ็คือตัวเวทนาขันตัวสัญญาขันตัวสังขารขันนะ์อันนี้เรียกว่าตัวเจตสิกนี่เป็นของจริงนะตัวจิตเป็นของจริงเป็นปรมาถธรรมมันมีจริงๆนะแต่ว่าเที่ยงไหมของจริงไม่จาเป็นต้องเที่ยงนะของจริงไม่ได้แปลว่าต้องเที่ยงนะ เระนั้นปรมามทธรรมสี่อย่างตัวจิตเป็นธรรมชาติรัว่วรมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวเจตสิก ค, คือธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตจิตโดยตัวของมันเองทำงานไม่ได้มีจิตเมื่อไหร่ต้องมีเจตสิกเมื่อนั้นนะงั้นไม่มีแต่จิตคล้ายๆเป็นพลังงานบริสุทธ์นะใช้อะไรยังไม่ได้ต้องมีเครื่องมือมีช่องทางให้มันทางาน ก็มีเจตสิกมาช่วยทําให้จิตทํางานได้ทําให้จิตนี้หลากหลายขึ้นมาจิตนั้นมีอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะแต่จิตนั้นพลกแฟลงพิกสะ د ا ไปได้เป็นจิตดีก็ได้จิตเลวก็ได้อนี้เพราะว่าสังขารเข้ามาประกอบเป็นจิตสุขก็ได้เป็นจิตทุกข์ก็ได้นะเพราะเวทนาเข้ามาประกอบนะเป็นจิตหลงผิดไปเชื่อผิดผิดหลงผิดผิดนะเพราะสัญญามันเข้าไปหลอก สัญญาเนี่ยถูกปลุกฝังให้ผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะไปหมายรู้ผิดๆว่มามีเราตลอดมิปรานมาตลอดเงั้นตัวสัญญานะเอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มันถูกหลอกจนกระทั้งมันเลอะเทอะไปเต็มจีแล้วสัญญาเป็นตัวหลอกนะเรามาดูตัวเวทนาตัวสังขารมาดูตัวจิตดูให้มากมาเห็นความจริงซ้ําๆนะวันหนึ่งก็ล้างสัญญาที่เห็นผิดไปได้ด้วยนะทําลายความเห็นผิด ไม่ได้ไปทําลายตัวสัญญาควรทําลายสัญญาไหมอยากเป็นอัลไซเมอร์หรือก็จะทําลายสัญญาจำอะไยไม่ได้ปรมาท ธ, ธรรมตัวที่สนะตัวที่หนึ่งคือจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์ตัวที่สองเจตสิกธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตทําให้จิตนั้นแตกต่างกันต่างๆนานาอย่างจิตบางดวงฉลาดบางดวงโง่บางดวงมีสติบางดวงไม่มีสตินี่เป็นผลของเจตสิกนะ ปรมาธรรมันที่สคือตัวรูปรู้จักตัวรูปไหมรูปไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นสมมุติบัญญัติถ่ายทอดออกมาจากรูปอีกทีหน่งสมมติบัญญัติรูปอย่างนี้เรียกว่าผมรูปอย่างนี้เรียกขนเล็บฟันหนังเรียกขึ้นมาได้เพราะสัญญานะสัญญาบัญญัติจำจำสมมติบัญญัติได้สัญญาเที่ยวหลอก้าไปทั่วนะย่งสุดท้ายมันไปลาย สัญญาเพียนเพีไปหมดนะทำลายสัญญาวิปราสาได้ตัวรูปคือธรรมชาติที่แตกดับได้ธรรมชาติที่แตกดับเพราะความร้อนความเย็นร้อนไปก็ตายเย็นไปก็แตกไปธาตุขันมันแตกตัวรูปแยกออกไปก็เป็นธาตุดินน้ําไฟลมอะไร น, นี้เป็นเป็นรูปหลักๆเรียกมหาภูตอรูปไม่ใช่รูปกระจกนะเป็นมหาภูตะภูตะไม่ได้แปลว่าผีนะ บุตะไม่ได้แว่าผีเป็นมหาพูต ร, รูปรูปที่เหลือนันก็เป็นรูปสำคัญรองรองลองมานะอาศัยมหาพูต ร, รูปปรุงขึ้นมาอจริงเนี่ยของจริงคือสิ่งเหล่านี้งั้นอย่างถ้าเราดูในร่างกายนะเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เห็นรูปยังย่า ง, างในผมมีธาตุดินน้ำไฟลม ถ้าเห็นธาตุดินน้ำไฟลมหนึ่จะเห็นรูปรูปตัวจริงนะดูท้องพองท้องยุบเดินจงกรมยกเท้าย่่งเท้าเห็นรูปไหมยังไม่ใช่รูปจริงนะยังไม่ใช่รูปจริงเป็นรูปที่เคลื่อนไหวก็อาศัยมหาพุทธ ร, รูปนะั่นแหละก็อาการที่มันเปลี่ยนแปลงของมหาพุทธ ร, รูปนะไ ป, ไปสร้างขึ้นมาบัญญัติขึ้นมางั้นจริงๆถ้านในพูดในทางตำราจริงๆนะ เห็นร่างกายพองยุบเห็นร่างกายเดินยกเท้าย่างเท้าอะไรยังไม่ได้เห็นรูปหรอกนะไม่ใช่รูปแท้เป็นรูปปลอมนะรูปอันนี้เกิดจากจิตเกิดจากจิตสั่งอย่างจะเดินใช่ไหมจิตก็สั่งให้ร่างกายเดินในรูปนี้เรียกบินยัติรูปนะดูรูปเลยดูยาก ยากนะกว่าจะทะลุมองทะลุเส้นผมก็ไปเห็นธาตุดินน้ําไฟลมในผมอะง่ายซะที่ไหนอะ <S <S บางคนมาบอกว่าดูรูปง่ายนะดูรูปแท้ๆยากดูรูปปลอมๆมาง่ายแต่ว่านํา ม, มาทําแล้วก็ไม่มีอะไรปกปิดความโกรธไม่มีอะไรปกปิดนะความโกรธก็คือความโกรธใครๆก็รู้จักความโลภเป็นยังไงใครๆก็รู้จักย งั้นบางคนว่านามาทำดูยากรูปธรรมดูง่ายดูผมคนเล็บปันหนังสิง่ายแต่ดูธาตุดินน้ำไฟลมดูยากนะอย่างเวลาจะดูรูปหายใจเราหายใจดูลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกไหมมันเย็นหายใจออกมันร้อนรู้สึกไหมเนี่ยธาตุไฟมันเปลี่ยนตอนที่ลมหายใจเข้าไปทีแรกนะมีธาตุไฟน้อย ตอนหายใจออกมาเนี่ยมีธาตุไฟเพิ่มขึ้นนะเวลาเราเดินนะไม่ใช่ดูยกเทา้าย่างเทา้านะยกเทา้าย่างเท้าเป็นรูปปลอมนะถ้าดูรูปจริงๆดูมหาพูต ร, รูปดูธาตุจริงๆเวลาเราเหยียบพื้นเนี่ยน่องมันจะแข็งขึ้นรู้สึกไหมน่องมันจะแข็งขึ้นเวลาเรายกเท้าขึ้นมาเนี่ยน่องมันนิ่มลงความอ่อนความแข็งเป็นเป็นธาตุ ธาตุตัวนี้ไม่ใช่อิริเม้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุทางเคมีนะธาตุของศาสน า, าพุทธดินน้ำไฟหลบมันธาตุแบบแขกเนีเวลาเราเหยียบพื้นเนี่ยความความแข็งมันเพิ่มขึ้นน่องมันแข็งขึ้นเวลาเรายกเท้าขึ้นน่องมันนิ่มลงเนี่ยธาตุดินไม่เที่ยงนะตอนที่ธาตุดินมากก็จะแข็งแข็งนะธาตุดินน้อยมันก็นิ่มลงเนี่ะนั้นตัธาตุดูยากนะอื โอ้ถ้าสมาธิไม่พอไม่เห็นธาตุตัวจริงก็ดูเลี่ยงๆไปไปดูรูปเลี่ยงๆไปไม่ได้ดูถึงมหาพุทธรูปแต่นมามธรรมนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรปกปิดนะความสุขรู้จักไหมความสุขถ้ารู้จักที่ความสุขนะก็เห็นอยู่แล้วความสุขแต่ถามว่ามีอะไรปกปิดั้มมีเหมือนกันอะไรปกปิดไหมทำให้เราไม่เห็นนมามธรรมทั้งหลายตามอย่างที่มันเป็น ความคิดนั่นแหละปกปิดเราไวนะ้อย่างเวลามีความสุขความรู้สึกสุขเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ไปนั่งบรรยายว่าเนี่ยกำลังสุขอยู่นี่ไปไปต่อแล้วไปคิดต่อแล้วอาศัยสัญญาถูกสัญญาหลอกอีกแล้วสัญญามันจําได้ว่าความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าความสุขนะงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นเราไม่ได้ดูไปที่ตัวความรู้สึกนะเราก็ไปสรุปนี่แหละความสุขละ เนีความคิดมันเกิดขึ้นมาสัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คิดตามสัญญาไปนะคิดไปคิดมามกลายเป็นเราสุขขึ้นมาดังนะนั้นถ้าภาวนานะดูของจริงดูรูปก็ดูรูปของจริงให้ไดนะ้ถ้าดูรูปของจริงไม่ได้มาดูจิตมาดูเจตสิกนะจิตก็ธรรมชาติที่รู้อารมณ์มรู้ทางไหนรู้ทางตารู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จิตกเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตกเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตกเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นนะอย่าเห็นจิตนี้เกิดดับไปเรื่อยแต่ละดวงไม่ใช่ดวงเดียวกันนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขัน้นะมีช่องว่างเล็กจิตเดียวเลยมาขัน้นจิตแต่ละดวงเลยขาดออกจากกันนะเนี่ยสันตติขาดนะถ้าเห็นอย่างนี้จะล้างความเห็นผะิดนะว่ามีอัตตาตัวตนถาวรได้ ค่อดูไปด้วยนะสันตติขาดไปนะมันมันสันตติมาทาให้เราไม่เห็นอนัตตาปิดบังเพราะสันตติมันขาดต่อหน้าต่อตาให้ดูนะความสืบเนื่องจิตดวงนี้เกิดขึ้นระดับปั๊บไปมีช่องว่างมาขั้นเกิดจิตดวงใหม่มเห็นซ้ําๆนะจิตจะสรุปได้ว่าจิตนี้ดวงหนึ่งนะนี่ดวงหนึ่งนะไม่ใช่ดวงเดิม งั้นไม่มีสิ่งใดเป็นอมตะถาวรไม่ใช่ดวงเดียวนี้เคลื่อนผ่านสังสารวัตมาตลอดไม่ใช่จริงๆเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเ น, นี่ยหัดรู้หัดดูนะดูของจริงถ้าดูของไม่จริงก็นั่งคิดเอาเองโอ้จิตนี้เที่ยงนะจิตนีเที่ยงจิตเป็นของอมตะนี่ยนี่มีฉาติจินะเหนจิตเป็นอมตะเพราะไม่เห็นสันตติที่ขาด ตัวที่ทำให้เห็นว่าจิตมันอยู่ถาวรเพราะสันตตินั่นแหละมาปิดบังความจริงทำให้เราไม่เห็นอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรหรอกมีตัวมีตนขึ้นมาก็มีชั่วครั้งชั่วคราวแวบเดียวก็ดับไปไม่มีตัวตนถาวรมีตัวตนขึ้นมาเพราะความสำคัญผิดเพราะสัญญาผิดผิดว่ามีตัวมีตนเรามาดูของจริงนะดูลงไปรูป่อดูให้เห็นรูปของจริง จิตก็ให้เห็นจิตจริงๆจิตจริงๆก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปนะดูจิตจริงๆดูรูปจริงๆริงยังยากดูเจตสิกไปก่อนก็ได้เจตสิกดูง่ายเช่นความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธหายไปนะความโลภเกิดขึ้นแล้วความโลภหายไปนะความสุขความทุกขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอย่างนี้ดูง่ายกว่ากันนะอาศัยดูตัวเจตสิกไปก่อนนะตัวสัญญานะตัวสังขารเนี่ยดูความปรุงของเข้าไป สัญญาสังขารเนี่ยมีชื่อนะสัญญาเวทนาอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นจิตตสังขารเป็นตัวเป็นสังขารของจิตเป็นสังขารของจิตตัวจิตเนี่ยมีอยู่นะแต่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนให้เราดูได้เลยเราอาศัยดูผ่านจิตตสังขารดูผ่านตัวเวทนาดูผ่านตัวความปรุงทางสารของจิตเพื่อทําให้เห็นว่าจิตแต่ละดวงนะ่ะไม่เหมือนกัน เนไหมสติปัญญาเรายัางไม่พอเห็นจิตเกิดแลดับวับมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเกิดแลดับวับมีช่องว่างมาขั้นยังดูไม่เห็นเราอนุมานเห็นจิตเกิดดับโดยรู้ผ่านตัวเจตสิกนะย่งเห็นเลยเออจิตตะกี้มันสุกอ่ะตอนนี้ไม่สุขแล้วตอนนี้เฉยๆหรือจิตตะกี้เฉยๆตอนนี้ทุกขซะแล้วนะเนี่ยแสดงว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงหรอกไม่คงที่หรอกเนะนี่ยดูแบบอนุมาณเอาหน่อยนะขั้นต้นๆก็ต้องดูได้อย่างนั้นแหละ หรือจิตเมื่อกี้มันโลภตอนนี้มันไม่โลภแล้วจิตเมื่อกี้มันโกรธตอนนี้มันไม่โกรธแล้วจิตตะกี้ใจลอยนะตอนนี้รู้สึกตัวจิตตะกี้หดหูนะตอนนี้ไม่หดหูจิตตะกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่ฟุ้งซ่านจิตตะกี้รังเลสงสัยตอนนี้ไม่ลังเลสงสัยนี่เราจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงนี่เป็นการดูอ้อมๆมาเพราะเรายังเห็นจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะมีช่องว่างมาขั้นหันใหม่ๆยังไม่เห็นยังไม่เห็นก็ดูอ้อมมาหน่อยนะเพืจะเห็น ดูความเกิดดับของจิตผ่านเจตสิกเห็นจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่แสดงว่าจิตไม่เที่ยงจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวทนอยู่ไม่ได้นานนี่มันเป็นทุกข์จิตจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวทนไม่ได้นานนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์ขังว่าทนอยู่ไม่ได้จิตที่ดีก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้จิตที่เลว โลภกรดหลงทั้งหลายก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เนะนี่ยดูไปด้วยเอ๊ะบังคับไม่ได้ด้วยสั่งว่าจงเป็นจิตสุขมันก็ไม่เป็นสั่งว่าจงอย่าทุกข์มันก็มายังทุกข์อยูนะ่สั่งไม่ได้จงดีมันก็ไม่ยอมดีอย่าชั่วมันก็ยังชั่วอยู่นะนี่เป็นอนัตตานี่ดูอ้อมๆ ม, มานะดูผ่านเจตสิกมา เพื่อจะให้เห็นว่าเ อ, อ้จิตมันไม่คงที่หรอกจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ยังไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะแต่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยที่จะไปดูตัวจิตตรงๆแล้วก็ไม่ควรพยายามจะไปดูตัวจิตตรงๆด้วยถ้าพยายามจะดูตัวจิตตรงๆจะเที่ยวสแสวงหาจิตหลวงปู่ดุลเคยสอนบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอนะพูดซะสิ้นหวังเลยนะแต่พวกเราไม่สิ้นหวัง เวลาเราภาวนาที่ไรเราเที่ยวสแสวงหาทุกทีเนาะท่านจะพูดให้สิ้นหวังนะมาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนะครับครับครับไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ออยู่นี่น่ะโน่นไปดูอยู่โน่นเอาจิตไปดูไม่ได้ดูจิตหรอกพวกเราเนื้อออกไม่ไประโยคนี่ยเอาจิตไปดูไม่ได้ดูจิตใครเข้าใจคํานี้บ้างยกมือซิยกมือซิเอาจิตไปดูนะไม่ได้ดูจิตหรอกเวลาจะดูส่งจิตไปดูทุกทีเลยไหลออกไปดูนะไม่รู้ว่าจิตกําลังไหลไป เนี่ยดูไม่ถึงจิตหร อ, อกนะนี่ถ้าดูตัวจิตตรงๆนะถึงเวลาเนี้ยสติสมาธิปัญญาพอมันจะเห็นจิตมันเกิดดับได้เองดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไปมีช่องว่างหมักขั้นคนละดวงกันสันตติขาดสันตติขาดถ้ายังเห็นตรงนี้ไม่ได้ก็ดูผ่านตัวเจตสิกจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกเกิดแล้วก็ดับดูตรงๆไม่ได้จิตทุกดวงเกิดแล้วดับดูยังไม่เป็นนะ แต่วันหนึ่งก็เห็นไม่ยากอะไรเนี่ยดูดูเรียนธรรมะเรียนจากของจริงนะเรียนจากจิตเจตสิกรูปปรมัตธรรมของจริงยังมีอย่างหนึ่งคือนิพพานนิพพานไม่ใช่ทำวิปัสนานิพพานไม่ได้เอาไว้ทํำวิปัสนานะนิพพานถ้าเราไปรู้นิพพานอยู่นะถ้าไปรู้นิพพานอยู่นิพพานเนี้ยเอาไว้ทําสมถะได้นิพพานเอาไว้ทําสมถะได้แต่สําหรับปุถุชนเนี่ย เอานิพพานมาทําสมถะไม่ได้เพราะไม่เห็นนิพพานนะได้แต่คิดถึงนิพพานคิดถึงนิพพานเรียกว่าอะไรเรียกว่าอุปัสมานุสติใครเคยได้ยินไหมอุปัสสมานุสติอยู่ในอนุสติ10บข้อพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสตินะศีลานุสติเนะี่ยมีอุปัสมานุสติกายคตาสติอานาปนาสติมรณสตินะ อุปสมานุสติเนคิดถึงนิพพานคิดถึงโหนนิพพานดีนะนิพพานเป็นที่สงบจากกิเลสนะพอคิดถึงก็สบายใจสบายใจเวลาเราอ่านหนังสือเซนใครเคยอ่านหนังสือของเซนบ้างอ่านแล้วรู้สึกไหมจิตแปลกแปลก เ, ออเหมือนนิพพานไหมนึกว่าเหมือนอ่านแล้วมันแปลกๆดีโอ้ตรงนี้ละว่ะเนี่ยจิตว่างไม่มีอะไรเลยจิตมีความสุขนะว่างๆโล่งๆ ลองไปหาหนังสือเว้ยหลังฮวงโปอ่านนะหรือจิตคือพุทธะที่หลวงปู่ดูลยืมจากหนังสือฮวงโปมาบางคนว่าหลวงปูด่ดูละเมิดลิขสิทธิ์โถูกพูดเท่าอายุจะร้อยปีแล้วไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ดอกไม่ได้เจตนาขโมยใครด้วยนะลูกศิษย์เอามาให้อ่านนะท่านอ่านเออมันตรงกับธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นแ่ะจิตกับพระพุทธเจ้าเปน็นอันเดียวกันท่านก็จํามาสอนจริงๆคนแปลคือท่านจานทรพุทธทาส รู้สึกจะแผลแล้วหมอตันหมอเสียงช่วยดูหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้รู้ภาษาจีนท่านพุทธะจิตเนี่ยอยู่ๆไปดูมันไม่ได้อยู่ๆไปดูมันไม่ได้อ ย, ไดไไดอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตนะเที่ยวไปดูจะดูอยู่ตรงไหนดูตรงไหนไม่มีแล้วจิตนั่นแหละเป็นคนหาจิตนั่นแหละเป็นคนรู้ทีแรกก็รู้จิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกไปก่อน จิตมันสุขขึ้นมาก็รู้จิตมันทุกขึ้นมาก็รู้ต่อไปค่อยดูไปเรื่อยเออสุกทุกไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่จิตหรอกพอเห็นว่ามันไม่ใช่จิตนะหรือกุศลอะกุศลที่เกิดขึ้นนะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตโลภโกรดหลงก็รู้ดูไปเรื่อยต่อมาพอ ก, กุศลดับโลภโกรดหลงดับเออมันคลานกับจิตนะจิตยังเป็นคนดูอยู่เนี่ยสุขทุกดีชั่ว เกิดเราก็ดับไปคนละอันกันค่อยแยกออกมาได้นะจะค่อยแยกในสุดโอ้ยจิตนี่มันเป็นคนรู้นี่เองแต่พอเจอจิตที่เป็นคนรู้อย่าไปเพ่งใส่จิตนะตัวนี้เป็นกับดักอันใหญ่ตโตมโหฬารเลยหลวงพ่อก็เคยติดสมาธิติดสมถะติดอย่างโน้นติดอย่างนี้นะสารพัดจะเคยทําผิดมาแล้วไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสเท่ากับติดตัวรู้เลยเท่ากับติดตัวจิตเลยนะ พอแยกแยกแยกแยกทุกตัวไปหมดแล้วนะเวทนาก็แยกสัญญาก็แยกสังการก็แยกไปหมดเหลือจิตอันเดียวเพ่งใส่ตัวผู้รู้ไว้เลยทันทีที่เราเพ่งใส่จิตไว้นะมันจะเกิดจิตซ้อนจิตขึ้นมามีจิตซ้อนจิตขึ้นมาอีกดวงจิตดวงแรกเป็นของถูกรู้เพราะฉะนั้นมันหมดสภาวะของความเป็นจิตไปแล้วมันกลายเป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้มันเกิดจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าดวงเก่ากลายจากจิตเป็นอารมณ์ไปแล้ว เกิดจิตอีกดวงหนึ่งมารู้จิตดวงที่สองจิตดวงที่2กลายเป็นอารมณ์จิตดวงที่3เนี่ยเป็นจิตขึ้นมาอีกแล้วนี่มันจะซ้อนไปเรื่อยนะกลายเป็นจิตซ้อนจิตไปเรื่อยจิตซ้อนจิตเนี่ยอย่าไปหลงว่าเป็นจิตในจิตนะคนละเรื่องเลยตอนแรกก็อ๋ออันนี้เราว่าจิตในจิตนะที่แท้เซอร์ซะไม่มีเลยติดเป็นปีเลยถัดจากนั้นนะพอคิดถึงการภานาเนาะปับจับปั๊บเท่าที่ตัวผู้รู้เลยจับค้างอยู่นั้นอะ กนะี่วันก็อยู่ได้นะอยู่งั้นแหละนะดีไม่หลงว่านี่เราว่าพระอรหันเราไม่หลงพระเราเห็นว่ามันไปจับเข้ามันยังยืดอยู่ยังมีอุปท า, านอยู่พระอรหันบ่าเบาคอแตกเลยเที่ยวจับอะไรต่ออะไรนะไม่ใช่ของจริงหรอกงั้นอย่าไปจับตัวจิตไว้นะค่อยๆเรียนฟังทันไหมไม่ทันไปฟังซีดีงั้นเวลาภาวนานะดูของจริง ดูดูจิตเจตสิกรูปนะรูปดูยากนะต้องมีสมาธิพอถึงจะเห็นรูปตัวจริงที่เรียกว่ามหาภูตา ร, รูปนอกจา้นั้นดูรูปข้างเคียงนะเหมือนเราดูจิตเหมือนกันดูจิตตรงๆไม่เห็นดูข้างเคียงก็ดูไปผ่านตัวเจตสิกการแรกๆอย่างดูตัวจริงไม่ออกก็ดูตัวข้างๆนะก็ใช้ได้พอใช้ได้นะ อยาเห็นร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราพอใช้ได้ยังไม่เห็นตัวรูปจริงๆหรอกแต่ว่าอนุโลมเอาอนุมาลเอาพอมีกําลังใจดูจิตที่ได้ยังไม่เห็นเราก็ดูตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วไปก่อนนะดูไปจนแยกเราตัวรู้ออกมาได้แล้วก็ด่านจะไปจับตัวรู้อีกอย่าไปเอานะตัวเนี้ย้าแล้วย้าอีกอย่าไปจับตัวผู้รู้ไว้จับตัวผู้รู้เนี่ยติดกันเป็นกับๆเลยนะจะอยู่โรมันโลก รมมาโลกชนิดที่จับผู้รู้เนี่ยนะชื่อวิญญานันจายตนะอายุเป็นหมื่นกับนะอายุนานมากเลยจับจวงแ้นนะนะนะจับไปจับมาเหนื่อยแล้วอยู่นิ่งๆเถ อ, อ, อะวะเอาใหมนะ่ประสาทกินนะไม่เอาเดีย๋ยวไปเอา ภาวนานะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดได้ลงอเวจีก็ลงได้นะอย่าไปเกิดในปร่มลูกฟักอันนึงปล่มลูกฟักไม่มีจิตภาวนาไม่ได้อย่าไปเกิดในอรู ป, ปเกิดในอรูปพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ฟังไม่ได้อยู่ในเวจีตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยยังเห็นพระรัศมีสว่างวาบไฟอเวจีดับไปบุบหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว เผาต่ออ <ś m any> ย่างน้อยยังได้รู้ว่าพระเจ้ามาแล้ว <ś m any> นั่นดับไปรูปหนึ่ง <ś m any> พอไหวไหมพอยากไปไหมวันนี้ดูต้องดูของจริงเรียปรมา ธ, ธรรมนะประมา ธ, ธรรมที่พวกเรามีก็คือจิตเจตสิก ร, รูปดูจิตเจตสิก ร, รูปให้เห็นตัวจริงแล้วจะเห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ รูปทุกรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตทุกดวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจตสิกทั้งหมดเลยทุกดวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตำราเขาเรียกเจตสิกเป็นดวงดวงเหมือนกันมันก็เลยทำให้เราวาดภาพว่าเป็นดวงดวงดวงไม่ได้เป็นดวงดวงนั้นหรอกไม่รู้จะเอาเรียกอะไรนะเรียกอะไรคำลักษณะนามวะไม่รู้ไม่รู้จะหาคาอะไรมาใส่เอาดวงดวงเถอะว สงสัยว้าคนแต่งคงไม่เห็นเหมือนกันถ้าเห็นคงไม่เรียกว่าเป็นดวงแต่ไม่รู้จะเรียกอะไรอนุมานเป็นดวงเาก็ดูดีที่สุดแล้วล่ะแต่จริงๆไม่ได้เป็นดวงดวงจิตกงไม่ได้มาเป็นดวงดวงหรอจิตยังมีจุดมีดวงเลยจิตปลอมๆล อ, มอ่ะทานข้าวนะฟังไม่เข้าใจก็ไปฟังซ้ำเาถ้าไม่ลืมหลวงพ่อจะให้เขาไปใส่ในซีดีอันนี้แต่ซีดีของสวนสันติธรรมอะ่ะ มันชักจะยากเกินไปป่ะหลังๆเทศยากมากขึ้นมากขึ้นถ้ายากไปล้วบอกนะนิมนมดเลยครับอาจารย์นิมนมดทุกอง